เช้านี้นะเป็นเช้าแรกของเทศกาลข้าวพรนสาและอาหารที่เราจะรับในเช้านี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกของเทศกาลข้าวพรนสาด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งจิตว่าเราจะฉันหรือว่ารับอาหารมื้อนี้นะด้วยความตั้งใจที่จะเกื้อกูลต่อการ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 เช่นเรากินอาหารอย่างมีสตินะนะกินอาหารอย่างมีสติก็คือว่าวางความคิดที่ทําให้ใจิตใจฟุ้งลอยออกไปนะเราเคยสังเกตรหรือเปล่าว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยใจเรานะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยครั้งใจเราก็ลอยไปโน่นไปนีนะ่ปากเคี้ยวแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนระหว่างที่กายเราประหารนะ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 เรากําลังเจริญสติไปในลักขณะที่ยืนอยู่ในแถวนะถ้าทําอย่างนี้ได้นี่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ม, มนุษย์ป้านี้ก็คงจะไม่เกิดนะสมัยนี้มีการพูด ก, กันมากเรื่องมนุษย์ป้านะมนุษย์ป้านี่ชอบแซงคิวนะหรือว่าชอบอทําอะไรต่ออะไรมากมายโดยที่ไม่รู้จักคอยจริงๆไม่ใช่มนุษย์ป้ า, าเดียวนะคนทุงท่งแพทุ่งไวก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะ แม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมนะถ้าคอยไม่เป็นก็นะแห่กันมารับหนังสือธรรมะนะเคยไปเคยไปแสดงธรรมนะแล้วก็มีหนังสือธรรมะไปแจกพูดจากก็บอกว่าให้เข้าคิวแต่บอกว่าไม่มีใครเข้าคิวเลยนะมารุมมาตุ้มเพื่อที่จะมารับหนังสือนะอันนี้ก็แสดงว่าสอบตกแล้วนะเรื่องการปฏิบัติธรรมอะ่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีวินัย น, นะไม่มีระเบียบ ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าคอยไม่เป็นนั่นเองอ่าแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะ